บทที่15เอสเบลมูหลับหลักตื่นตือยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากประสาทเตึงเครียดเพระเชิดวุฒเป็นคนจุดไฟลนไว้ให้แล้วก็ไม่ดักเสียให้สนิทเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวบัดนี้ก็หลับพีสบายไปแล้วหล่อนที่ซ้ายทีกขวายังหยุดกินตำคาญใจแล้วก็ยันไกยขึ้นหวังจะหายานอนดับสักเม็ดภายในกระโจมมืดพระเชิดวุฒเป็นคนจ่องออกไปดักตะเกียงแบตอรี่เสียทูกสิ่งทุกอย่างในเต็นต์เป็นเงาตะคุ่มคงสว่างร้างๆอยู่ทางด้านซีจั่ง จาก้าปลาสติกติ่กันไว้เป็นจอรักแสงจากกลองไฟใหญ่เจลพินและพวกพันชื่นเมืองก่อไว้ให้มาตัดหัวค่ําคิดผู้นอนขนาดอยู่ทางด้านขวาของหล่อนก็ก่อความรงคาญให้บ่อยเหมือนกันในภาวะที่นอนไม่หลับเช่นนี้พก็ขแขนขวาวัดเ ป, ปะปะมาักกายเกยตัวหลอนบ่อครั้งทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็หลับเสนิทเสียงกรนดังสนั่นหนวั่นไหวหัดออกไปเป็นหัวหน้าคณะและคริสตผู้บัดนี้นอนสงบนิง่ง แม่ผมแดงผู้เป็นแพทย์มือดีประจาคณะหันมาทางเช็ดพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามือคลักพิษะอย่างมันไส้พร้อมกับเอื้อมไปทางหัวนอนเพื่อควานหาไฟฉายประจําตัวณนะบัตรนั้นเองหล่อนก็จะ ง, งักจ้างอยู่ที่ผ้าที่กันไว้ทางด้านหัวนอนด้วยอาการตะลึงประคนพิษสวงเงาหนึ่งปรากฏภาพเสมือนอยู่ยังผนังผ้าพลาสติกด้านหัวนอนของทุกคนโดยบางท่านกลางระหว่างกองไฟ ที่กำลังรุกสว่างวอมแบมกับผ้ากั้นกระโจมความรู้สึกในขณะนั้นที่เหลือไปเห็นบอกได้ทันทีว่ามันควรจะเป็นร่างกายของมนุษย์แม้จะไม่ชัดเจนจากภาพที่เห็นเป็นเงานั้นก็สามารถที่จะบอกเป็นรูปตั้งได้นับตั้งแต่ศีรษะช่วงไหล่ทั้งสองและลำตัวแต่พระเจ้าช่วยหลานุทันอยู่ภายในมันเป็นภาพเงาของมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตมโหฬารอะไรเช่นนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากภาพดวงตา เบลจ้องค้างอยู่เช่นนั้นอื้นใจใหญ่พยายามพยี้ตาและเขม่งมองเพราะเงาเท่าที่เห็นภาพ ก, ก็ปรากฏว่าเงานั้นยังยืนตระงานอยู่ที่เดิมจุดเสาหินจะว่าพวกคันเพื่นเมืองหรือ ล, ลูกหาลักษณะของภาพเงามันก็ดูประหลาดออกไปมากสภาพของเงานั้นยืนบางกองไฟค้ำอยู่ทางด้านหัวนอนของผู้ร่วมแคมป์ทุกคนในขณะนี้ช่วงขณะหนึ่งก็มีการเคลื่อนไหวใกล้ผนังกระโจมเข้ามาอีกแล้วหยุดยืนนิ่งดูเหมือนจะหาง่อดออกไปเพียงไม่เกินห้าเมตรเท่านั้น ท่านอยู่เพียงภาพกั้นกระโจมเท่านั้นโดยสมองอันมึนตื่อและโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองได้กระทำอะไรลงไปบ้างเบลค่อยๆเลิกภาพกระโจมที่กั้นผนังนั้นขึ้นแล้วหล่อนก็ได้เห็นด้วยตาตนเองจริงๆเหมือนภาพฝันร้ายดวงตาวาวกล้าภายในกรอบลึกโหลนั้นจับนิ่งประสานตาหล่อนอยู่ก่อนแล้วในทันทีที่แม่มสาวมองรอดออกไปมันสะกดหลอนให้จ้องประสานและจังงังอยู่ในภาพนั้นเอง เป็นดวงตาอันเต็มไปด้วยอำนาจลี้ลับของร่างที่ยืนด้วยสองขาสูงเครียวสูงประมาณเจ็ดฟิตเงาจากกองไฟที่ซองมาทางด้านหลังทําให้เห็นอะไรไม่ถนัดนักนอกจากสันฐานรูปร่างจะคุ้มดังแรงเครื่องแต่งกายแผกผิดไปจากมนุษย์ในยุค ป, ปัจจุบันที่หลังเคยเห็นเว้นไว้แต่ภาพที่แกะสลักจากผนังหินในพิพิธภัณฑ์ที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้ไม่ใช่ลักษณะของชาวป่าทุกภาค พ, พื้นแต่น่าจะเป็นเครื่องเป็นกายของนักรบในอดีตสมัย โบราณหนกแก้มสูงกระดูกหน้าโค้ขาขัานไกลกว้างหน้ายาวรัดไว้ด้วยหนังพุ้มกระดูกไหลทั้งสองข้างตัดตรงเป็นมุมฉากกับลำคอและศีรษะกระดูกฟันใหญ่ขายายออกมาจากลิ้พิปากมองเห็นอยู่สองสมี่ 4, แค่นั้นเองเป็นสิ่งที่หล่อนมองเห็นด้วยสายแสงส่วนความแหวมของกองไฟที่มาจากด้านหลัง นานเท่าไรไม่มีใครบอกได้จากสภาพที่หมอเบลเลิกม้าผนังเต็นท์ออกไปประจันหน้ากับดวงตานั้นที่จ้องมาอย่างตา ง, งูกดนกมือหนึ่งของหมอเบลยังเลิกผ้าคล้างอยู่แล้วแขนอันยาวเหยียดของร่างที่ดูเหมือนว่าควรจะเป็นมนุษย์นั้นก็ค่อยๆ ย, ย, ย, ยกขึ้นกวักเรียกเข้ามาหาตัวในลักษณะบบกจากด้านร่างขึ้นมาสู่ด้านบนเป็นจังหวะช้าชเลิน่นาน สติสมัมปชัญญะหรือความสำนึทกท่องปวงของอเมริกันสาวผมแดงหมดสิ้นลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่นอกเหนือการบังคับควบคุมข อ, ของหลอนโดยเส้นเชิงประดุจคนหลับที่อยู่ในการละเมอหรือมิฉะนั้นก็คนที่ตกอยู่ในภาวะถูกสะกดจิตเบลค่อยๆมุดกายลอดออกจากผ้าเต็นนั้นอย่างช่มช้าๆไม่ผิดอะไรกับทุ๊ตาไขาลานหมดความเป็นตัวของตัวเองหมดการเหนี่ยวรั้งพอพ้นจากผ้ากันออกไปได้หลอนก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินตรงเข้าไปหาทีละก้าว การขยับตัวตั้งแต่วินาทีแรกของอิสเบลทำให้ผ้าแบรงเก็ตผืนเดียวกันนั้นซึ่งใช้ผมร่วมกันทั้งห้าคนที่นอนเรียงรายกันอยู่มีอาการรังตึงขึ้นดรสเตอรี่เป็นคนนอนไวพอใช้ตัวเดียวครั้งแรกเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็ยังนอนหลับตาหนิ่งอยู่เข้าใจว่าเป็นการพลิกตัวของพวกพ้องที่นอนร่วมกันตามธรรมดาแต่ต่อมาก็รู้สึกว่าผ้าที่ถูกผมอยู่นั้นถูกตึงต้นไปเรื่อยๆ และได้ยินเสียงไหวการถี่ปกติแต่บุคคลที่นอนถัดจากที่ไปจึงสงบหวัวขึ้นลืมตาดูแล้วเขาก็ลืมตากว้างทันทีด้วยความพิศวงอาสาใจกีดสุดที่แลเห็นเงาตะกุ่มของเอสเบลกำลังเหวี่ยงได้หล่อนไม่ได้ยินไม่ได้ยนต์อะไรทั้งสิ้นคงเดินตัวแข็งขื่อเขื่อนเข้าไปหาร่างลึกลับที่เหมือนจะรอคอยรับอยู่ก่อนแล้วนั้นท่านทางก า, การเห็นชัดและแทบชอกของเซรี่ซึ่งบัดนี้ตะลึงเบิกตาโพลงในสิ่งอันไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะพบเห็น มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถจะคาดการล่วงหน้าหรือดาวอะไรได้ถูกต้องทั้งสิ้นแต่เสียงเอะเอืองของหัวหน้าคณะปลุกพักพวกทุกคนที่กำลังนอนหลับอยู่ในขณะนั้นพร้อมกันหมดครกสติน่าดึงกายขึ้นนั่งตรงเราเอามาว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนพันเอกคิดเพียงแค่คงหัวงวงเงียยังไม่รู้เหนือรู้ใต้สำหรับเชิญพุทธนั้นเข็นขึ้นมานั่งพุกเขา่าหันมองไปรอบๆในความมืดสลัวของเต็นที่ร่วมกันอยู่ในขณะ น, นี้มันงงยังทําอะไรไม่ถูกในวินาทีสําคัญนั้น คงมีแต่คริสติน่าเท่านั้นที่ฉับพันต่อเหตุการณ์ฉับพลันกับหัวหน้าคณะหลอนจะชากปืนสั้นออกมาจากซองอกแล้วพุ่งตัวออกไปทางผนังกระจนทางด้านหัวนอนทันทีรวเดเร็วว่องไวาตามนิสัยในขณะที่คิดและเชิดวูดยังสงบสงเอนล่องถามกันเองอยู่ไปมาแม่ผมทองวูบออกมาสูบ่บรรยากาศอันเยือกเย็นนอกเต็นท์และเห็นอย่างที่ด็อตอร์เซรี่เห็นแต่หลอนก็ยืนเยืงอยู่เบื้องหลัง เ้วหยุดนั่นเป็นเนียงที่แผดสุดเสียงของอเมริกันอาวุโสแล้วกระโจนตามมาเบื้องหลังเมื่อยังเห็นแม่ผมแดงคงเดินเข้าไปหาสิ่งที่ยังไม่อาจจะบอกได้ในขณะนี้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่คริสเห็นในเปลตาต่อมาคือร่างของหัวหน้าคณะพุ่งขนานกับพื้นเป็นการเทคในกีฬาลับบี้ รวบเข้ายางสองขาด้านหลังของลูกน้องสาวคนสวยและก็ชักล่างของเบวที่กําลังเดินอยู่อย่างเลื่อนลอยลงใกงลง้มงปันทันทีนั้นก่อนที่จะเข้าไปถึงช่วงแขนยาวที่ยืดออกมาพร้อมที่จะรับตัวโดยห่างแค่เพียงไม่เกินเมตรครึ่งเท่านั้นเวลาเดียวกันนั้นเองคริสก็ตวัดปืนในมือขึ้นหล่อนเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ผ่านพืนเมืองหรือพวกลูกขาคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นลักนณะก็พิคนพิ ก, การวิปริตผิดแบบออกไปแม่ผมทองเหนี่ยวไกลปืนฉัน ทันทีด้วยสรีขยานแห่งความเคยชินเสียงปืนสั้นจุดสามห7าเแมกนัมระเบิดเปรี้ยงสนั่นหวั่นไหวจนแก้วหูแทบล้วท้ามกลางความเงียบขนัดของราตรีระยะขนาดนี้ตอนยิงไม่ผิดแน่และล่านั้นก็ไม่ใช่วัตถุเล็กๆมาตรงานดูราวกับท่อนหินซึ่งใครนำมาปาักไว้กระสุนนัดนั้นได้ลั่นขึ้นเกือบจะเป็นเวลาเดียวกับที่เฟรดีกระชากขาเบลลงเกลี้ยงลงไปด้วยกันตรงหน้าของร่ามประหลาดนั้นในเต็นเชิดเวดจับคิด จึงเผ่นผลุนขึ้นมาราวกับถูกน้ำร้อนลวกหัวชนกันชุลมุนไปหมดกว่าจะคว้าปืนและไฟฉายออกมาได้กระสุนนัดที่สองของคริสก็แผดซ้สำสท้ายกสะเทือนไปทั่วบริเวณที่พักยามนั้นร่างลึกลับเพียงแค่ถอยหลังไปก้าวเดียวเมื่อกระสุนนัดที่สองของคริส แผลต้มออกมาแล้วมันก็หันกลับไปในทันทีก้าอย่างรวดเร็วตรงเข้าหาซุ้มไม้การมืดทึบโดยเฉียดพันกองไฟซึ่งช่วยให้มองเห็นเขาโครงรูปร่างในถนัดตาขึ้นอีกครั้งขณะที่เชิดบุตรและคิดจนตาบอกไม่อย่างระร้าระลังนั้นคริสติน่าวิ่งออกมาจากที่เดิมกวาดไล่ออกมาจนถึงบริเวณที่เซรี่และเบลยังลงปิ้งกันอยู่และหลอนได้ยิงไล่หลังเป็นนักที่3ามโดยจับปืนไว้ทั้งสองมือในพริบตาก่อนที่ร่างนั้นจะลับหายไปในเงามืด ไฟฉายเร็วแม่ผมพรถุกนสืบเสียงหมุนตัวคว้างพอเห็นเชิญบุตรกับคีธซื้อไปใช้กับเปืนวิ่งเชลเลอทะลราออกมาหล้งก็ผหนเข้าไปประชากไฟใช้เดิน่ไปจากคนหนึ่งเบอรสวิต ส, สอจ้าเป็นดาเกี่ยวออกไปยังพุ่งไผ่ที่เห็นหน้าประหลาดหายแว บ, บเข้าไปพยายามจะดันตามเชิญวุตรเข้าหลักตัวไว้เสียก่อนพรอมกับเสียงสเปิร์ลของเซรี่กับคีธประสานนั่งจะออกมาหมดไม่รู้ใครเป็นใครอย่าตามคริสอย่าตามหยุดก่อนจากนั้นคิด ก็ทลันเข้ามายึดตัวคริสนาไว้อีกคนหนึ่งในระหว่างที่หัวหน้าคณะ ก, กําลังประคองเบลในอ้อมแขนข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจับค้างสั่นเบาและเรียกชื่ออยู่ทีๆกราหนห ว, ว่มโรยวายไล่ไปหมดทั้งบริเวณแคมป์ตอนนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ปัดขึ้นภายในเวลาไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นนับตั้งแต่เบลแหวกกระโจมเดินออกมาปัดนั่นเองบุนคาจันเกลและใสรกรุนเข้ามาถึงที่เกิดเหตุโดยไม่มีใครทราบว่าการทั้งสีของนัพิน พ, พุ่งมาจากทิศทางใดบ้างเสียงน้องถามเสียสงส่วนง เอตโลฟังว่าได้ศัพท์มันสับสนไปหมดมีเงาของพวกลูกหาปรุงเข้ามาสมทบอีกมันไปทางนั้นมันไปทางนั้นฉันยิงถูกมันแล้วช่วยตามเร็วคริสชี้มือบอกทุกคนระล่ำระลักดินพันกันหมดแค่จะฟังไม่รู้เรื่องเชิดวุตและคิฟที่โผล่ตามหลังออกมาว่าสุดท้ายก็มองเห็นเช่นกันแต่เป็นการเห็นช่วงคลิปตาเดียวเท่านั้นจากด้านหลังของร่างรี้ลับขณะนั้นคริสตินน่ายิงกระสุนนักพีสามได้หลังไปแล้วก่อนที่มันจะเข้าไปยังซุ้มไห้เพึ่อันเป็นฉากกำบังทั่วไป คุณคำสมบต์อะไรออกมาคําหนึ่งดังลั่นในระหว่างที่ผ่านลูกน้องอีกสาคนยืนหันดีหันฝวาอย่างงงงงการเหตุการณ์ไร้เคลื่นกระไฟฉายพร้อมอยู่ในมือของสมนูษณ์ขวาขอ ง, ขอ ง, ของระดินอยู่แล้วแกสั่งเร็วปือว่าเฮ้ยเองสองคนได้เกิดไก้เสืออยู่ตรงนี้พอดูแลพวกในห้างไว้ส่วนเองไอ้จันมากับข้าถ่ายคาตาพันเท่าก็ฉายไฟและเดินลักษณะก้าวยาวๆไปตามทางนั้นทันทีจันออกข้อตามหลังให้ลูกพี่มาอย่างกระชั้นชิด ทางด้านฝ่ายในจ้างบัดนี้ยังภาะวะคร้ทรงสักสนอยู่อย่างไม่อาจจะตัดสินใจอย่างไรได้ถูกแต่ทุกคนก็หันมาเตืใส่กับเบลซึ่งบัดนี้ยังนอนลืมตามโพรงหายใจแถวเบาในระดับเหมือนคนอยู่ในภาะวะหลับลึกภายในอ้อมแขนประคองขย่าเรียกของดรสเตอรลี่เชิญวูดคิดและคริสนากรูปเข้ามารายรอบโดยเฉพาะคริสนาช่วยเขย่าแขนเรียกโดยแรง ส่วนเกลนและเยตะโกนบอกพวกลูกขาให้สูงปืนเข้าไปในกองกุองให้ลุกชดช่วสว่างสวัยขึ้นภายในบริเวณแคมป์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ผวังและการวิ่งวุ่นชุนลมุนแบววให้แหววพิสตแบ่งเสียงสุดเสียงตบหน้าแม่เพื่อนสาวทา้งซ้ายทั้งขวาอยู่ไปมาหลายทีและเขย่าตัวทั้งกลุ่มเต็มด้วยความตื่นเต้นและรุ่มร้อนใจจนไม่สามารถอธิบายได้ถูกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตางก็ยังไม่สามารถจะแจกแจงได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ และยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเจสเบลเริ่มซอยเปิดตาจากอาการเปิดค้างความสำนึกเริ่มกลับคืนมาคล้ายคนที่เพิ่งฟื้นจากอำนาจกดเจิบแต่ยังอยู่ในการมึนงงต่อมาอีกอึดใจใหญ่ๆที่ทุกคนช่วยกันเรียกร่อนจึงยกมือขึ้นขยีตาทั้งสองข้าง้ขากับดึงตาขึ้อีกครั้งหนึ่งไ่ไข่ดึงไกขึ้นนั่งเบล์ไอยูอ l r i g h t คริสกล่อมลงตะกกนเสียงแหลมตีดเข้าช่องหูเพื่อนสาวจนแม่ผมแดงสะดุ้งหยงครานี้ติสัมพันธยะดูเหมือนจะกลับคืนมาได้แล้วมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมรอบกายสงสายตาตื่นตระหนกเป็นคําถามรวมมาเป็นจุดเดียวแต่ยังไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นพยายามมองไปรอบๆคริสหันไปทางหัวหน้าคณะถามเสียงรัวเป็นฝรั่งก็จริงแต่บัด น, นี้ภาพเหมือนเจ็กเดือดแตกพูดรัวลิ้นพันกันไปหดแทบฟังมารู้เรื่องเต็มไปด้วยอาการกระหืดกระหอบ อาจารย์เห็นมันทําอะไรเบลหรือเปล่าคะเซลี่เซียง เ, เอ็นโลกบวกเวกอพพอกันฉันเห็นเบลกำลังจะเดินตามเข้าไปหามันฉันตะโกนเรียกแล้วแต่เขาไม่ได้ยินและไม่หยุดเดินฉันจึงต้องรวบขาเขากระชากลม้มลงก่อนที่เบลจะจับตัวมันตอนนั้นเองที่ฉันได้ยินเสียงปืนเธอ ย, ยิงหรือค่ะฉันเป็นคนยิงเองเฉันโผล่ออกมาจากเต็นท์ตามหลังอาจารย์ออกมาติดติดเห็นอาจารย์พุ่งไปร่วบขาเบวส่วน มันยืนอยู่ไอตัวประหลาดลักษณะเหมือนมนุษย์ตัวนั้นฉันยิงออกไปสองนัดบันจิงหันหลังกับเดินหนีไปนรกอะไรกันนี่หวามันเป็นใครฉันกับวุศัวออกมาก็เห็นมันกําลังจะลับตาไปในความมืดเห็นหลังไวัยวัยเอนคลิสยิงตามหลังไปอีกนัดหนึ่งคริสสบดก้องจึกหันมองหน้าเชิดวศลักลักนายพันตีแห่งกองทัพไทยเองบัดนี้ก็น่าเกลีดไปยังพูดอะไรไม่ออก เบลยังเข้าไปไม่ถึงตัวมันเชนกระชากล้มเสียก่อนพันหัวหน้คณะบอกซ้ํำอสเบลยามนี่ขมดคิ้วเอามือจับไปคลางเหมือนจะคิดอะไรอยู่เสียงเชิดวุ้กับคริสร้องถามปรบประสาทมาอีกร่อนจึงดู่ากออกมาได้เป็นประโยคแรกฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันรู้สึกตัวว่าฉันเรียบร้อยดีนี่เกิดอะไรขึ้น what Chris ร้องออกมาดังลั่นลืมตาโตมือยังจับอยู่ที่ไหล่เพื่อนสาวยังมีหน้ามาถามอีกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนหรืออะไรที่ลักษณะคล้ายค้ายคนตัวหนึ่ง กิงกวาดมือเรียกเธออยู่หยกหยกเมื่อกี้นี้และเธอก็กําลังจะเดินเข้าไปหามันเหมือนเด็กน้อยทีย่ถูกพ่อเรียก อ, อาจารย์กับฉันตื่นขึ้นมาและตาออกมาเห็นเธอก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปถึงมันได้อาจารย์เป็นคนแท็กเธอไว้จนล้มลงส่วนชั้นยิงมันตอนนี้มันเปิดหายเข้าไปในป่า น, นู้นแล้วเธอล้มลงหมดสติเมื่อรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นานไม่ต่ำกว่าสองนาทีพวกเรากําลังตะคนปลกเธออยู่นี่ เบลกรุ Bell, ขงขมักสมัครหน้าเล่าๆพูดทาอะไรอยู่ในลำคอแล้วเงยหน้าขึ้นดูพักพวกทุกคนที่แวดล้อมอยู่พูดตะกุตะกักฉันฉันมันไปยังไงมายัางไงเล่าสิสเบลเซรี่ถามเสียงต่ำตอนนี้รู้สึกว่าหัวหน้าคณะจะระงับความตื่นเส้นลงได้แล้วคือฉันคือฉันรู้สึกเหมือนจะฝันไปอย่างนั้นแหละหลอนพูดพยายามระดับภาพในสมองตอนนั้นฉันว่าฉันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาต้องการใชหา ย, ายานอ น, อนดับกินสักเม็ดหนึ่งแต่พอมองไปที่ผนังผ้ากั้นกระจ ที่มีกองไฟก่ออยู่ห่อนชี้ไปยังฝาผนังภาพลาสติกซึ่งบัรรลิสต์ถูกตกลบขึ้นและสายถึงกระโจมด้านหนึ่งขาดทําให้เต็นท์อยู่ใ น, นลักษณะล่มยุบลงไปด้านหนึ่งอันเกิดจากการตลุมบอลออกมาของเชิ้อวุ้นและคิดฉันเห็นเงาคนมายืนบังแสงไฟอยู่ในกองนั้นมันมาถ้าปรากฏอยู่ที่ผนังกระโจมลักษณะของเงานั้นดูแปลกมากมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาบางครั้งที่ฉันต้อง เปิดผ้ากระโจมด้านหัวนอนนั้นขึ้นเพื่อจะดูให้เห็นชัดและฉันก็เห็นมันเอ็มอนสเตอร์ตัวนั้นลักษณะมันไม่ผิดอะไรกับมัมมี่ของนักโรโบราณยุคใดยุคหนึ่งมันยืนจ้องตาฉันอยู่ใช่สายตาฉันพบกับมันพอดีต่อจากนั้นฉันก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยรู้แต่เพียงว่าได้จ้องดูมันอยู่เฉยเฉยแล้วมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เห็นทุกคนแวดล้อมรอบตัวฉันอยู่เดี๋ยวนี้แหละคริสอุทานมองหน้าดรสเตอรลี่เชิญบุ๊ดและคิตก็อ้าปากค้างมองตากันอยู่ไปมา เธอไม่รู้สึกอะไรอีกเลยเหลหลังจากที่เปิดผนังเส้นออกมายืนอยู่กับมันนะ่ะเซรี่ถามด้วยน้ําเสียงเป็นปกติเม้มริมพีปากเกือบจะเป็นเส้นตรงจ้องตาลูกน้องสาวสนิ่งแม่ผมแดงสารเสียอาการของหลอนอดโรยอ่อนเพลียไม่ค่ะฉันไม่รู้สึกอะไรอีกเลยแม้กระทั่งเสียงปืนออกสนันวันไว้คหวของครสที่ยิง3านัดติดต่อกันเมื่อตะกี้นี้เนอะเหรอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ เบลถูกสกปรตจิตว่านัคขณาค้นหาระเบิดนิวเคลียร์คลางออกมาเบาๆเหลือตาดูพระพุททุกคนและเขาใหญ่เหล่าถามมาอย่างอีกว่าตอนนี้เรู้สึกยังไงบ้างฉันรู้สึกเคลียร์ค่ะแล้ววิงเวียนแต่คิดว่าครูจะไม่เป็นอะไรมากนักแน่ใจหรือเบลเทรสถามมาอย่างเป็นห่วงแม่ผมแดงพยายามจะลุกขยืนแต่แล้วก็เอามือกุมศีรษะส่วนเสยจะล้มเชิวดวดคว้าตัวประคอไว้ได้เอาเข้าไปพักนอนก่อนเร็วว่ักขณาสั่งเริฟหรือ เพลช่วยหน่อยรู้สึกเบลจะมีท่าทางไม่สู้ดีนะักทั้งค่าคนของฝ่ายได้จ้างช่วยกันนําเบลเข้าไปในบริเวณที่พักนอน ท, ทันทีพอถึงก็ให้นอนราบลงกับพื้นเสยและเกิดช่วยกันถึงสายกระโจมที่ขาดหลดให้โยงตึงตามเดิมเพลสตรงเข้าไปที่จีบเครื่องวิัชพันธ์ค้นหาแอมโมเนียแต่สําลีนํามาแขวงให้ที่จมูกของเพื่อนสาวซึ่งบัดนี้นอนหลับตานีงหายใจเรื่อยๆลักษณะของหล่อดเหมือนคนเป็นลมแสงคีดสะบดซูอยู่เช่นนั้น จ่าจวกมันเกิดอะไรขึ้นฉันยังไม่เข้าใจเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครั้งแรกได้ยินเสียงบ๊บฟล็อกเออะโวยวายครั้งแรกฟังไม่ถนัดจื่นใจต่อมาก็ได้ยินเสียงเือดังตุมตุ้มสองคนกับเชิดวุดลุกขึ้นมาชนกันเสียอีกว่าจะโผล่ออกไปได้ก็มองเห็นเหตุการณ์ไม่ทันแล้วเห็นแวบเดียวคล้ายๆมีคนเดินหลบเข้าไปในแนวป่าแล้วพิสก็ซักตามหลังมันไปอีกนัดหนึ่งเป็นนัดสุดท้ายรู้สึกว่ามันจะมีคนรูปร่างสูงใหญ่มากนะอาจจะเ7็บวยดครึ่งทีเดียว นายสองคนนี่หน่อยที่สาวมากคนนักข่าพูดเขาหน้าไม่เป็นสุขฉันดูเหมือนจะรู้สึกตัวเป็นคนแรกเบลล์ลุกขึ้นทีแรกก็ไม่คิดอะไรเป็นผิดปกติตอนที่เบลล์ค่อยๆแหวกม่านกระโจนหัวนอนออกพอโทรหน้าตามออกไปดูเท่านั้นแค่กระช็อกฉันทําอะไรยังไม่ถูกตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวว่าจะต้องสงกัดกั้นเบลลไว้ก่อนที่จะเดินไปถึงไอ้มอนสเตอร์และกลับตัวนั้นพราอฉันกระทบเบลลม้มลงคริสก็ยิงด็อกอร์เซเร่หยุดชงะงักเกิดเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ เดี๋ยวมองไปรอบๆตัวซึ่งบัดนี้ภาพถึงด้านผนังของกระโจมทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกตรบให้สูงขึ้นหมดสามารถจะมองเห็นไปตลอดทางบริเวณแคมป์ที่มีแสงสว่างสุรสวัลจากกองไฟที่ลุกชัว่วช่วงสุดสามกองนั้นและบัดนี้เห็นพวกลูกหาดถือปืนเดินคลอกไปกันไปมาเกลืนเกลืนกับเสยยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเต็นที่พักควานใหญ่อยู่ไหนระพินใครเห็นรพินบ้างหัวหน้าคณะล้อกล้องขึ้นเป็นคำถามไปยังทุกคนทั้งหมดหันความพยายุมค้นหา ใกเคียงตัวและห่างออกไปทั่วบริเวณไฟฉายหลายดวงส่องกลาดรูปวาดถึงไปมาจริงด้วยสิและพินยอยู่ไหนฉั่ไม่เห็นเขาเลยตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นคิดโวยวายขึ้นมาอีกคนหนึ่งเกิกับเสรยมองหน้ากันเองล็อกแรกแล้วบัดนั้นเองก่อนที่ใครจะพูดคําใดขึ้นมาทั้งสิ้นเสียงไร้เคลืนทางด้านทีุู่นําและจานออกเตือนไปก็ถ น, น้นขึ้นมาราวกับฟ้าผ่าในขุมนรกกำมานาดเสียงของมันยามนี้สะเทือนเข้าไปถึงสับไต้่ส้พุง เป็นเสียงไม่ไกลนักคล้ายแค่ไม่เกินสามสี่เมตรนี่เองและพร้อมๆกันก็มีเสียงแผดรอบแปรแปร่ตามประสานถึงกล้องคือ ท, ท, ท, ทุกทางปลาทั้งปลาที่แวดล้อมอยู่ในยานนี้ประหนึ่งว่าจะท่ท ล, ลายลงด้วยเสียงแห่งโคลสสารท่ามกลางความมืดมิดอันเต็มไปด้วยปริศนาน่าสึนกลัวแวดล้อมอยู่โดยรอบทั้งหมดพึงเคลือตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะหนึ่งควารู้สึกบอกได้ทันทีว่าบริเวณปางทางปัจนุบถูกล้อมไว้ด้วย ของช้างจำนวนอันนักไม่ถ้วนแต่มันมารอบทิบรอบทางเหตุการณ์เหมือนเมื่อตอนบ่ายวันนี้ไม่มีผิดเสียงป่าแตโขลมอันเกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันเสียงแผ่นดิ น, นเะเทิอนเรื่อนด้านติดตามด้วยเสีเนียงหนักของจุดสามเจ็ห h m um a นับนับที่สองมันดังปึงและซาคลึงสั่นสะเทือนไปในคืนของอากาศที่กดหนักรอบตัวเกินและเสยกระจดออกไปคนละด้าน กลองลูกหาพิ่งสับสนเหมือนมันแตกดังเห็นเป็นภาพไหวๆว่าแว บ, บในเงาหมืดพร้อมกับเสียงตะโกนร้องสั่งความกันฟังมันในสับสำหรับกลุ่มในเจ้านั้นยกเป็นเบวคนเดียวที่ยังนอนหลับตานิ่งอยู่ทุกคนตะคุบใบขึ้นประจํามือขึ้นมาเพราะไฟฉายกระโดดพลุบขึ้นยืนล้ากับนั่กันไว้สายถึงหลังคากระจอมทั้งสี่ด้านขาดพังออกอีกครั้งหนึ่งภาพของเต้นจึงอยู่ในภาวะถล่มรูลงมาคลุมเื้นและใครคนหนึ่งวิ่งสะดุดเจ้ากเกรเลียงเฉินผู้นอยให้นําเกลืออยู่อันนั้นล้องจัากออกมา ร่างของมันเบลและสัมภาระทั้งหมดที่อยู่ภายในเต็นถุงหลังคาพลาสติก ค, คุมไว้อย่างสนิทเจอลี่คีดเชิดวุฒและรลสติน่าแหวกผ้ า, ากระจปออกมาคนละด้านด้วยความรู้สึกตรงกันหมดคือบัรลัยกัะละวาคืนนี้เกิดประกบตัวเชิญวุธทันทีในฐานะพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่คุ้มครองจากที่ได้รัมอบหมายนแน่กันไว้ก่อนแล้วเจ้าเด็กนม กระชากแขมนายทหารพาวิ่งเข้าไปยึดที่กำลังขอนไม้ใหญ่ใกล้กองไฟหลังเต็นของนายเจ้าที่กำลังสลุกสว่างอยู่ในขณะนี้พร้อมกับร้องบอกว่าอย่าวิ่งออกไปที่ไหนนายทหารอยู่ใกล้กองไฟนี่ถ้ายังไม่เห็นตัวก็อย่าเพิ่งยิงเซรีคิดและคริสกำลังยืนหมุนคว้างเพราะว่าถูวงอยู่ก็ถูกเสะซึ่งฝึกปือชำนาญการอย่างดีแล้วในภาวะช่นนี้ไล่ต้อให้เข้าไปยึดอยู่ยังกองไฟกลางแคมป์อันเป็นร้าง ย่างเนื้อกลางคืนเมื่อสนิทอย่างนี้ทุกคนไม่อยู่ในฐานะที่จะวิ่งออกนอกแค้นไปยึดที่กำบังตั้งป้อมอยู่นบริเวณได้โดยเด็ดขาดลังใจจะเกิดอันตรายเนื่องจากมองไม่เห็นกันและการอันอาจจะทําให้การช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะความมืดเป็นอุปสรรคใส่ล้อสั่งการไปยังพวกลูกหาและเกรยียงอีกสองคนที่กำลังวิ่งวุ่นกันอยู่ให้กระจายกำลังออกไปยึดที่มั่นไว้โดยรอบเพื่อเตรียมยิงกระทะถ้าหากไอ้ช้างโคลงนั้นบุกเข้ามาถึง ให้มีวี่แววของผู้รับผิดชอบเลยขณะเดินทังทั้งหมดโทรให้ในจ้างเห็นเลยเขาดูจะสูญหายไปอย่างลึกลับเสมือนหนึ่งไม่ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยสิ้นเชิงและในวินาทีฉุกเฉินขีดสุดซึ่งทุกคนพองวงอยู่แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้ายามนี้ก็ไม่มีใครที่สามารถจะสอบถามซักความเอากับพวกคารเพื่อนเมืองได้แวด ล, ล้อมรอบเส็นห่างออกไปในความมืดอันเต็มไปดปริศนาเป็นสับสนียงแซ่สั่มที่ฟังแล้วก่อให้เกิดความสยองกล้าจนทําให้ฝ่ายในจ้างทั้งหมดลืมนึกถึงสิ่งใดทั้งสิ้น นอกจากคอยระวังชีวิตของตอนเองและพรรคพวกในขณะเท่านั้นไล่เฟนทุกกระบอกประทับอยู่กับไหลพร้อมกับไฟฉายซึ่งปราดหรือไปมาในระหว่างแนวป่าไผ่ทึบทะมอนรอบด้านแต่ก็ไม่เห็นพุชสารตัวใดที่โผล่ออกมาทั้งสิ้นนอกจากเสียงแพรดร้องอย่างเครี้ยกลดด่ดมร้ายเหมือนจะทุกขามขูสสำทักขวัญเสียงตะลุมหักพงไม้อยู่ทืนนคลื่นกันปวนพื้นที่ซึ่งฝ่ายมนุษย์เข้าประจําที่ระวังรอรับอยู่ในขณะนี้สะเทือนเหมือนกับเกลือแผ่นดินไหว จำได้ดีว่าก่อนที่จะเกิดสัญญาณภายของโขงช้างร้ายปรากฏให้จำเนียงชัดขึ้นมานั้นบุญคำกับจันได้ติดตามเจ้าอมนุษย์ตรงนั้นหายออกไปนอกบริเวณแล้วก็เกิดเสียงไหล่้นนัดดังขึ้นสองนัดอันเป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวของตัวของโขงช้างขณะนี้ก็ไม่มีใครทายถูกว่าทมุนคำและจันตกในสถานการณ์เช่นไรความรู้สึกบอกแต่เทียงว่าภานรบโศกรักทินทั้งสองคนคงจะเข้าไปไประจันหน้าหรือไมิฉชนั้นก็ตกอยู่ในกลางโขงช้างของมันแน่นอน ฝ่ายที่อยู่ในแคมป์จะให้การช่วยเหลือร่วมมือหรือประสานงานอย่างใดก็ไม่อาจจะทำได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนกลา ง, ลงนงทึเนอกจากเตรียมพร้อมประจำที่มั่นเท่าที่จะหาได้ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่จะหาพวกมันรวมตัวกันบุกตลยุยปีบขนานเข้ามาทุกด้านเหมือนเมื่อตอนหมายนี้แล้วก็กัดกั้นลมหายใจเปิดหูเปิดตากว้างรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยหัวใจอันเต้นอยุดคฮงครามแทบจะระงับไม่อยู่ คิดสะบดศาบแช่งต่อเหตุการณ์ขมงถงเข็งตามภาษาคนปราปะและขยับระเบิดมือที่หยิบฉวยมาด้วยก่อนที่จะเสดิดออกมานอกเต็นพักหลายครั้งกะว่าจะคว่างโดออกไปยังป่าเพื่อให้เกิดเสียงกรมนายของมันเป็นการขับไล่ถงชางแต่เซรี่คว้าข้อมือไว้แน่นอย่าคิดพวกเราก็จะกระจายอยู่รอบบริเวณอันตรายมากมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเลยนอกจากสเก็ตที่อาจจะเปลวไปถูกพวกเราเองได้ ถ้ามันบุกเข้ามาชนิดมองเห็นตัวกันเมื่อไหร่พวกเราแหลกกันเมื่อ น, นั้นแหละคิดร้องไทร์วันไปอยู่เสียที่ไหนเขาตายไปเสียแล้วหรือยังไงครึสงซีน่าตะโกนเสียงแหลมถูกแล้วในภาวะอันจุดเฉินขีดสุดได้ไม่มีใครสั่งการหรือตัดสินใจใดๆได้เลยทุกคนมีจุดแห่งความหวังตรงกันหมดไปอยู่ที่คนคนเดียวเท่านั้นคือระพินไทร์วันทางด้านเชิดวุฒและเกิดยึดอยู่ที่กองไฟหลังเต็นท์ได้มีการตัดสินใจขึ้นแล้วลูกชายท่านนายพล เงยปากกระบอกไล่เพิ่มขึ้นฟ้าเป็นมุมศีรษะองศาแล้วเหนี่ยวไกตุูมภายหลังจากการเส้นเร้าทําอะไรไม่ถูกพักใหญ่ก็มีความคิดอย่างเดียวกับคิดคือยอย่างน้อยก็เอาเสียงไล่ดีกว่ารอยคอยด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจโดยทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อ น, นั้นเองก็เหมือนกับเป็นการเตือนทุกคนจะทําตามศีรษาไม่ฟังเสียงใดๆอีกแล้วตอนจอบปากลากล้อง AR อาร์หขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกลพรืช เสียงปืนกลของพลร่มลุบสนันวันไหวกลบสำเนียงเสียงช่างร้องไว้ชั่วขณะหนึ่งร่นยิงออกไปประมาณ 2.. ชุดชุดละห้นัดเซลลี่กับคีด ก, ก็ปล่อยกระสุนจุดขึ้นฟ้าอีกคนลนัดดังลาวกัฟ้าผ่าสะเทือนสะท้านไปทั้งลงไ่เกิดเซร์และลูกหักทุกคนที่จ้องปืนพร้อมกันอยู่แล้วในมุมต่างๆยังคงสงบนิ่งเฉยอย่างนักประหยัดกระสุนอยู่ตามเดิมคนเหล่านี้จะไม่มีการยิงไล่อะไรนอกจากถ้ายิงก็หมายถึงสังหารกันอย่างเฉ็บขาดเลย และการยิงเช่นนั้นก็ได้ต่อเมื่อเห็นตัวแล้วเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงเมื่อฝ่ายในแจ้างยิงขึ้นฟ้าเสียงปืนจากพรรพวกที่สนั่นลั่นโลกไปหมดยามนี้ทําให้อิสเบลรู้สึกตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในลักษณะอิรอยโอนโพเผะหลอนมุดแหวกผ้ากระโจมที่คลุมตัวออกมาอย่างตะลีตะเหลือกโดยยังไม่สามารถจะค้นหาลาเฟินรายแรงประจำตัวได้นอกจากปืนพกสั้นพอโผ อ, ออกมาคานอยู่นอกภาคลุมได้ก็ร้องถามลั่น เมื่ันคว้ไปเห็นข้าวก็ปราดเข้าไปคว้าตัวไว้ละวพาวิ่งไปยังเรียมกองไฟข้างๆเชิดวุฒอะไรกันนี่แซปเปอร์บุกเ ล, ลื้อลันขยาวแขนเขาขณาดที่เชิดปุฒิแยกเขี้ยวกระชากปลอกเก่าออกจากดังเพลิงยัดนัดไม้กรบเข้าให้ตบลูกเลื่อนลงไม่ใช่แซปเปอร์แต่เป็นรถถังทั้งกองทัพเชียวละภายใตการนำของแม่ทัพชื่อเหมียนงาดํามันร้อมเราไว้หมดแล้วไม่ได้ยินนั่นหรือไงเบลนั่งตะลึงกายสันเทามือกําปืนพกนิ่ง จะเป็นด้วยเสียงปืนสนั่นวันไหวที่ระดมยิงกันจากในแคมป์ขนาดนั้นหรือจะเนื่องด้วยเหตุอะไรก็สุดแล้วแต่จะคเนดได้ปรากฏว่าเสียงช้างโขงซึ่งไม่สามารถทาราบจำนวนแน่นอนเหล่านั้นขยายตัวผ่าหางออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องของพวกมันดุดเสียงโห่หรือเสียงวงการส่งสัญญาณอะไรของมันห่างไกลออกไปเป็นลำดับแผ่นดินลั่นคลื่นชั่วไม่กี่อืดใจต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เกินหายไปในความเงียบงันของราวไพร ย, ยามดึกโดยไม่มีวิวแววของตัวใดโพงเงา ออกมาให้ฝ่ายที่ตั้งมั่นอยู่ในแคมป์ได้เห็นเลยลักษณะเต็มไปด้วยรัศนัยน่าคิดทุกคนออกจากที่มั่นวิ่งเข้ามารวมกลุ่มกันอยู่ในใจกลางแคมป์อีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกนาทีวิกฤตสุดยอดผ่านพ้นไปแล้วโดยการสลายตัวถอยทับของไอ้ข้อเจษามที่มีพฤติการประหลาดดุดถูกชี้นําบงการมาจากผีนรกโครงนั้นสิ่งที่ทุกคนคิดในดับต่อมาก็คือบุญคำและจันทร์แต่แล้วต่างก็ไหวตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้เสียงกูุ่ โบ ก, กเข้ามาก่อนพร้อมกับลำไฟฉายกลัดวับซ๊บเข้ามาสองจุดจากราวป่ามืดนิดครู่เดียวร่างของพาราวุโสอันเป็นสมุนคู่ใจซ้ายขวาของรัพินก็โผล่้นกอไผ่ออกมาปรากฏเด่นอยู่ในแสงไฟของฝ่ายในแคมป์ที่สาจ้จารวมจุดกันอยู่สวรรค์ทรงโปรดจันอยู่บนค้ำกลับมาโน่นแล้วดูเขาปลอดภัยเรียบร้อยดีคริสร้องขึ้นมาอย่างดีใจผ่านเพื่อนเมืองทั้งสองสาวเท้าตรงเข้ามาอย่างทุกคนที่รอคอยอยู่อย่างรวดเร็วจันท์มีสีหน้า หลอกหลักเขียวคล้ำส่วนตาท่าบุญคําเสถขรมเงียบสงบความไม่สบายใจยอย่างเล่นเรืปรากฏอยู่ในแววตาขุนขุนของแกลุงคําจันท์เป็นยังไงบ้างพวกเราทางนี้เป็นห่วงแทบตายเชิญวุ่นวืเข้าไปจับแขนแกวไว้ทันทีที่ทั้งสองคนก้าวค่อยค่อยมาถึงคุญคาฝืนยิ้มมองไปรอบรอบบริเวณแคมป์ซึ่งมีพรรคพวกจืนรวมกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มเสียงแกแข็งแห้งไม่เป็นไรนายนะทหารพวกมันกระจายถอยไปหมดแล้วรอบทิศเลยคุญคารู้สึกว่ามันจะย่องเข้ามา รอมรอบที่พักของเราเงียบเงียบในรัศมีวงกลมห่างแค่ไม่เกิน60สิเมตรรอบรอบคงจะย่องมายืนเข้าขบวนกันอยู่นานกว่าชั่วโมงแล้วแต่ตอนนี้มันถอยเพราะฝ่ายเรารู้สึกตัวแล้วก็บุญคำกับจันตามไอ้ตัวนึกรับหน้าผีนั่นไปไม่ใช่หรือพวกเราทางนี้ก็รอฟังข่าวอยู่แต่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็ได้เสียงปืนและเสียงช้างร้องสนัดวันไว้ไปทั้งป่าเลยดเตรสเตลลี่ถามเร็วปื คุณคำเหลือบสบตาจันทนิดหนึ่งอึ้งไปครู่ดูสีหน้าแกจะคลามลงไปอีกจากแสงสว่างวอลเปเปอร์ของกองไฟที่ก่อยอยู่ใช่คุณคำแกะร้อยนั่นไปคำพูดของแกอ้อมออมไม่เต็มปากเต็มคำนักรู้สึกอึดอัดอย่างไรพิ่กลในสายตาที่จ้องค้นหาของฝ่ายนายจ้างซึ่งรวมจุดตาเป็นตาเดียวกันเพือนแฉโปยตีนโตของมันเห็นชัดทีเดียวบุณคำกับจันร์สาวรอยไปทุกระยะมันเดินเรียวรัดไปตามเส้นทางด้านด้านตะวันออกนี่แหละ มัวแต่ฉายไฟก้มดูรอยเท้าจนแทบจะเดินชนเอาขาช้างเข้าให้โชคดีไอ้จันที่เดินอยู่ข้างหลังเหลือบเห็นเสียก่อนกระชาก ต, ตัวบุญคำไว้ทันเห็นมันยืนเข้าแถวดานหน้าเรียงรายเต็มเพื่อเป็หมดราวกับช้างศึกที่ใครเอามาจับเป็นขบวนไว้แต่ละตัวยืนนิ่งเงียบเหมือนก้อนหินตะแรกนึกว่าตาฟาดไปพอไอ้จันสองตูงก็ให้นักแรกมันก็ร้องวักพุ่งเข้าใส่เลยบนคําอาจันสองคนก็เลยเห็นเข้าไปอยู่ในกรไผ่ไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนเพราะมันเต็มป่าไปหมด พอดีกับที่พวกในห้างทางนี้ช่วยกันยิงโป่งเป้งโปงเป้ปงปขึ้นนั่นแหละมันถึงได้หันหลังกลับถอไปแล้วแกก็ชี้มือไปทางด้านหลังทางกันแค่นี้เองที่มันยกมาเป็นกองทัพยืนล้อมปางพักเราเงียบเงียบมานานแล้วทุกคนฝ่ายนายจ้างต่างอ้าปากค้างคิดกระซิบถามคริสติน่าว่าตาผ่านเท่าบอกอะไรแม่ผมทองยังไม่มีเวลาพอที่จะแปลข้อความเพื่อนชายฟังกระเดื่อน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นถามด้วยความพิสงค์ งงเงนขีดสุดมาว่าบุญคำเธอบอกว่าเธอเดินตามไอ้ตูประหลาดนั่นไปโดยแกะตามรอยเท้ามันไปใช่แมมแล้วก็เดินไปจนชนกับช้างโขงนั้นที่ยืนแถวดักคอยอยู่งั้นเหรอแตเท่าพยักหน้าถ้างั้นก็แปลว่ามันมันเดินฝ่าเข้าไปในโขงช้างนะสิประโยคหลังเสียงของหล่อนสันและเกือบจะเป็นร้องตะโกนบุญคาเอานิ้วเกาจอนหูแกรกๆตัวแกเองก็วางหน้าไปถูกเหมือนกัน รอยตีนของมันบอกว่าอย่างนั้นแล้แม่มบนคําเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไปได้มันเดินหายเข้าไปในโขงช้างบนคําเดินตามก็เลยปากหน้ากับไอ้จมูกยาวตั้งแถวรอรับอย่างอยู่อย่างดีเลยเป็นความจริงหรือจันสเตรย์หันควับไปคาดคายส ม, มุดมือซ้ายของนพินซึ่งยืนหุบปากเงียบจันทาปากขมุบขมิบอยู่ครู่ก็หลุดปากออกมาด้วยเสียงแผ่วเบา ว, ว่าจริงในห้างรอยตีงของมันยังอยู่เลยตีนแต่ละข้างยาวตั้งศอก กว้างกว่าคืบก้าวยาวร่วมวาและแซนก็หมุนตัวไปรอบๆบริเวณกองไฟนั้นใช้ไฟฉายส่องดูทันทีก็ร้องออกมาว่านั่นยังไงล่ะรอยตีนของมันตอนที่มันเดินเข้ามาในปางพักยังทิ้งอยู่นั่นเลยราวกับนัดกันไว้ทั้งหมดที่ยืนพูดกันอยู่เห็นทวดเดี่ยวก็ไปยืนพื้นตรงที่แซนฉายไฟแล้วพากันก็มุดลงไปดูไมกอดอเมริกันทั้งกลุ่นร้องลั่นตาเหลือกมันเป็นตำแหน่งที่ฝไฟในเจ้งตัวออกมาจากเต็นท์พักแล้วมองเห็นล่างลึกลับยืนโบกมือเรียกเบลนั่นเอง กอนที่คริสจะระเบิดกระสุนนัด น, นั้นพยายนหลักฐานปรากฏเดนชารแสงว่าใครก็ตามที่มองเห็นภาพตอนนั้นไม่ได้ตาขวาไปเลยมีรอยเท้าของอะไรชนิดหนึ่งประทับอยู่บนพื้นดินอันเปียกชุ่มนั้นจริงแต่มันเป็นรอยเท้าที่วิปริตขนาดของมนุษย์สามัญไปถึงเท่าตัวคํานวณจากสายตาคร่าวๆโดยกะวัดจากส่วนปลายนิ้วที่จิกพื้นไว้ถึงส้นเท้ายาวราวๆสิบห้านิ้วและมีส่วนตรงที่กว้างที่สุดประมาณเจนิ้ว เป็นเท้าเปล่าเปลือยที่ไม่ได้สวมอะไรทั้งสิ้นรอยนิ้วหัวแม่เท้าที่กดลึกลงไปในติมจากลักษณะก้าวเดินไล่เห็นได้ชัดโดยรูปพันสันฐานมันก็น่าจะเป็นรอยเท้าของมนุษย์นี่เองแต่ใหญ่โตโมโหรานกิดขนาดคนทั่วๆไปเหลือเกินเพราะว่ามันก็น่าจะได้รูปกับรูปร่างที่ฝ่ายในเจา้าทุกคนเห็นชั่วไม่กี่พิษตาในส่วนสูงของมันถึงกว่าเจฟุตมีรอยผ ง, งะเซถอยหลังและหมนตัวกลับจากนั้นเมื่อช่วย ช่วยกันฉายไฟไล่ตามขึ้นดินไปก็เป็นช่วงก้าวเดินระยะห่างแต่ละก้าวนั้นประมาณหนึ่งเมตรเศษพักพวกหลายคนรวมทั้งพวกพานพื้นเมืองซึ่งกรูกเข้ามารุมดูอยู่ในขณะนี้พากันย่ําสับสนด็รสเตสเลลี่รองสาวทุกคนกระโดดหลีกออกไปแม่ไข่ ย, ย่ําซ้ำทําลายหลักฐานนั้นส่วนคริสวินปลายกลับเข้าไปยังกระโจมพักซึ่งบันนี้หลังคาถลง่มลงมาคลุมพื้นอยู่ตันเลิกผ้าหรือคนอะไรอยู่ใจเดียวก็ ก, กลับออกมาพบ ก, กับเป้าหายรูปพิเศษขนาดกระทัดลัด ยกขึ้นแล้วกดฉับแสงแพร่สว่างวูบรอนมันทึกภาพเอาไว้ทุกรอยเท่าที่ปรากฏอยู่บนบริเวณนั้นเป็นการปฏิบัติงานอย่างคล่องแคล่วฉับไวที่สุดโดยไม่ปล่อยให้ความตื่นเส้นตกลม า, มามาเป็นเครื่อง่วงเวลาไว้ทั้งหมดพูดกันแซดและใช้ไฟตรวจตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะถึงเส้นโค้งของทางหนังเครื่องเห็นมันหายวูบรับซุม้มไม้ใหญ่ไปปืนคาจึงยืนขวางทางไว้ร้องห้ามเือดเร็วว่าเอาแค่นี้ก่อนเถอะนายห้างอย่าพูดตามรอยมันไปเลย อันตรายมากไว้รอให้พวกนี้เช้าตะวันขึ้นเสียก่อนดีกว่าบุญคำจะพาไปดูจนถึงที่บุญคำกับจันตามไปประทะหน้ากับโผลช้างทีเดียวทุกคนชะงักลงเพียงแค่นั้นและเห็นด้วยเมื่อมองออกไปยังแนวป่าอันมืดมิดน่ากลัวนั้นบุญคำบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรเท่าที่เห็นหนะักมันเป็นเท้าคนแต่ใหญ่ละเกินเจบุถามอย่างกระหืนกระหอบบุญคาพูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้ายืนเอามือคุมท้ายถอย ในระหว่างที่ทุกคนเงียบเกลีดลงอีกครั้งได้แต่จ้องมาที่แกเป็นจุดเดียวและในที่สุดก็แอมแอมบุญคำก็บอกไม่ถูกเหมือนกันบุญคำไม่เห็นตอนนั้นตือนขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงเอะอโวยวายของพวกในห้างและก็เสียงปืนพอได้มาถึงก็เห็นแอมคริสชีโบชีเบยไปทางนี้ก้มลงใช้ไฟดูก็เห็นรอยตีิของมันและแกะรอยไปไม่ทันได้เห็นตัวมันหลอกเห็นแต่รอยเท้าสดๆดร้อนรอ้อนและจู่ๆก็เดินไปชนช้างเข้าให้อย่างที่บอกแล้ว ฉันสาบานว่าฉันยิงถูกมันแน่ๆอย่างน้อยก็สองนัดก่อนที่มันจะหันหลังกลับแต่ลูกปืนหยุดมันไม่ได้และไม่ปรากฏว่ามีรอยเลือดเลยพลุสจืนยันด้วยเสียงเอติโลลั่นของหล่อนตามเดิมและทุกคนที่จอกแจกกันอยู่ในขณะนี้ก็เงียบกริบลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อหัวหน้าคณะประกาศดังๆขึ้นด้วยเสียงต่ําลึกว่ามีใครเห็นดับเพินบ้างเขาอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดเลือดจนกรทั่งเดี๋ยวนี้ฉันมองไม่เห็นพันใหญ่เลย